อ้าวพากันตั้งใจเนี่ยวันนี้นะตั้งใจให้ดีให้ถือว่าเรามาชุมนุมกันอยู่สาลาการปรียนนี้เพื่อที่จะมาฝึกตนให้สงบเป็นเบื้องต้นแล้วก็เพื่อมา ฝึกให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอืให้ให้เกิดความรู้ความฉลาดในทางธรรมในทางศิลป์อันการที่เราจะพ้นทุกข์พนภัยไปไม่ได้นี่มันกำเนื่องมาแต่ความไม่รู้ไม่ฉลาดนี่เองอืไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว ด้วยตนเองจนว่าทำผิดพูดผิดไปแล้วผู้อื่นตักเตือนจึงได้รู้ตัวนี่เป็นส่วนมากนะคนเรานะเป็นงั้นอันมันจะรู้ตัวก่อนทำก่อนพูดนี่มันยากเรื่องพระพุทธเจ้าสอนนะให้ให้ระลึกได้ก่อนทำก่อนพูด ดีก็ดีชั่วก็ดีก่อนจะทำอะไรออกไปจะพูดอะไรไปสติสมบัตญะนั้นตรงระลึกได้เสียก่อนอนี่นะระลึกว่าเราจะทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ควรหรือไ ม, อม่ผิดหรือถูกนะกำหนดรู้ได้ว่ามันผิดแล้วก็ดงดไม่ทำไม่พูด ถ้รู้ว่าไม่พิษมีประโยชน์อันนี้ก็ตึงค่อยทำค่อยพูดไปอันการที่เรามีสติสมบัติชนะรักษากายวาจาใจให้ดำเนินไปตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนอย่างโชเฟอร์ขับรถนั่นเองนะ ซูเปอร์นี้ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเลยเวลาจับพวงมาลัยเข้าไปแล้วนะออกรถไปแล้วเผลอนิดหนึ่งก็ไม่ได้เพราะความเร็วของรถซูเปอร์มันจะต้องมีสติสมบัสญยะจยุอย่างนั้นวิ่งรถไปมันจึงไม่ชนอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย กายวาจาใจของคนเรานีนะ่มันก็มีจิตนั่นแหละเป็นเป็นใหญ่เป็นประธานมีสติสมปัติัญญะนั่นเป็นเครื่องอุปการะสติสมปัติัญญะนี่เหมือนกับโฟเฟอร์ขับรถนั่นแหละเมื่อสติระลึกได้สมปัจัญญะก็รู้ตัวว่าสิ่งนี้ ไม่ควรทําไม่คนพูดอย่างนี้นะมันก็มันก็งดไม่ทําไม่พูดเลยออแต่ว่าสติตอนนี้มันต้องสติว่องไวนะอวัยมากทีเดียวไม่ไวก็ไม่ทันกับการเวลาไม่ทันกับเหตุที่เกิดขึ้นอืมฉะนั้นเมื่อระลึกได้อย่างนั้นมันก็ไม่ทําให้พูดแหละมันผิดถ้าระลึกไม่ได้ ไม่รู้ว่ามันผิดมันก็ต้องทำต้องพูดไปอ่ะอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอคนเราเนี่จะดีได้นะก็เพราะมีสติสมะเจนยะควบคุมจิตใจอยู่แล้วก็มีฮิริโอ ต, ตปะเป็นคู่กันเลยอ่ะอ่าถ้าขาดความละอายแก่ใจ ขาดความสะดุ้งหวาดกลัวตอกบาปต่อโทษต่างๆแล้วมันก็ทำชั่วได้ทุกอย่างคนอาอ็นอนไปอย่างนั้นดังนั้นฮิริโอตปะเนี้ยึงิงคือว่าเป็นคุณธรรมที่ประจำชีวิตของบุคคลผู้ที่หวังความสุขความเจริญแก่ตนและผู้อื่นจะต้องมีอยู่ประจำอยู่ตลอดเวลาเลย ดังนั้นให้พากันสำรวจตรวจการดูตัวของเราทุกคนเรามีหิริอตตาปาทมอยู่ไหมอันนี้สำคัญเมื่อมีความสะดุ้งหวาดกลัวต่อก ร, รมชั่วที่ทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะถ้ามันมีอย่างนี้อยู่เสมอมันก็ระวังตัวอยู่แล้วคูณนั้นนะ เมื่อระวังตัวอยู่นี่กิเลสมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้บ่ะนี่มันระวังจิตอยู่นี่มันคำรวมจิตอยู่เมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบเข้ามามันก็กําหนดพิจารณาเหตุนั้นทันทีเลยอย่างนี้นะดังนั้นนะ่ะขอให้พากันพิจารณาดูให้ดี ที่นาตัวของเราทุกคนนี่แหละอืมคนส่วนมากนะมันอ่านตัวเองไม่ออกอ่านตัวเองไม่เป็นไอ้ตัวเองหลงไหลอยู่ก็ไม่รู้ตัวนน่เียตัวเองมีความคิดความเห็นยังไงถูกหรือผิดไม่ค่อยรู้ตัวดังนั้นมันจึงไม่เลือกนั่นแหละ เจอเรื่องชั่วมาเมื่อก็ทําชั่วพูดชั่วไปเอเจอเรื่องดีเมื่อก็ทําดีพูดดีไปอย่างนี้นะอคนขาดสติสมัมปชัญญะขาดธรรมวิจัยยะการส อ, สอดส่องในธรรม อ, อันนี้ก็สําคัญนะทําไมไม่ธรรมวิจยะคือว่าการสอดส่องในธรรมนี่หมายความว่าเลือกเออ รู้จากเลือกธรรมะที่เกิดขึ้นกับใจธรรมะที่เป็นกุศลก็รู้ธรรมะที่เป็นอกุศลกร็รู้รู้ทั้งสองอย่างธรรมะที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็รู้ธรรมะเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นที่จิตนี้เอง ธรรมะที่เป็นอกุศลก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิความแข็งกระด้างกระเดื่องไม่ยอมน้อมตัวลงต่อทมต่อวินนยสิ่งใดถ้าไม่พอใจของตนเองแล้วแม้มันจะผิดธรรมผิวินนยก็ไม่ก็ไม่กลัวล่วงละเมิดไปได้อย่างนี้นั่นลักษณะ ของทิฏฐิมานะเป็นอย่างนั้นดังนั้นอนะ่ะมันมีไหมอยู่ในใจของเราให้พิจารณาดูทุกคนอไอเหตุที่คนเราจะล่วงทำล่วงวินัยหรือว่าล่วงศีลก็ดีมันก็นเนื่องมาแต่ความกระดั้งกระเรื่องนั่นเองเนะี่ยความไม่กลัวบาปไม่กลัวโทษ เมือ่อเมื่อมันกระด้างแล้วมันไม่กลัวอย่างนั้นมันไม่กลัวเลยเหมือนอย่างคนเราเมื่อมันโกรธมาจัดๆแล้วนี่มนไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยคุกก็ไม่กลัวนรกส้านหน้าก็ไม่กลัวนึกไม่นึกไม่ออกหมเขาว่างั้นนะนึกไม่ได้ในขนาดนั้น น, ะนี่ก็เพราะฉะนั้นแหละทุกคนจึงต้องมีสติสมบัตญะ สำรวมตอนอยู่เสมอเสมอทำอะไรอย่าเผลอตัวถ้าเผลอตัวเข้าไปแล้วความชั่วมันก็คอบงำเอาได้มันเป็นงานเรื่องมันนะความชั่วนะ่มันส่วนมากมันมาจะเกิดขึ้นในขณะที่คนเราเผลอตัวถ้าเวลามีสติสมบัติญาดีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องชั่วอะไร มันก็เป็นอย่างนี้อย่างว่านะออดังนั้นพระพุทธเจ้ายังได้สอนให้เป็นผู้ฝึกสติสัมปัชญานี่ให้แก่กล้าขึ้นในตนของตนเ ส, สมอไปสัมปัชญะแปลว่าความรู้ตัวคือรู้จิตนั่นเองเนี่ยสติแปลว่าความระลึกได้คือว่าล่ะลัง ระลึ ก, กว่าเรื่องนี้เป็นยังไงน้องนี่นะระลึกได้อย่างนี้แล้วก็สัมปัจัญญาขอวินิจฉัยแล้ววันนี้อ๋ออเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอืมควรละมันก็รู้ได้มันก็ละแหละมันเป็นหน้าที่สมปัจจัญญาจะพึ่งสอนใจให้ละอืมไปงานเลี้ยงมนะันเลคุณธรรมเหล่านี้เนะี่ยสําคัญมากเนะื้อขอให้พากัน บำเพ็ญให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในตนของตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในโพชชงเกตนะนะสติฉมโพธิชงนี่เป็นองค์ทำเครื่องตัดตรู้มรรคผลนิพพานธรรมวิจยะความสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมที่เป็นกุศลอกุศลโมนีก็เป็นทางหลุดทางพ้นจาก ทุกในสงสารอย่างนี้นะอืมเมื่อบุคคลมันเลือกอสิ่งใดถ้าเป็นอกุศล ร, รมแล้วก็ละให้มันระงับไปจากจิตใจสิ่งใดเป็นกุศล ร, รมก็ประคับประคองไว้ในใจใจนี้เมื่อมีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมันก็เกิด ต, ตีติอิ่มยืนย่งนั้นนะอ่า ปีติชนิดที่เกิดจากความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันสูงขึ้นไปแล้วอย่างนี้มันไม่เหมือนปีติที่เกิดครั้งแรกที่เริ่มภาวนามอใจไม่เคยรวมไม่เคยสงบมาแต่ก่อนบังเอิญมาทำใจรวมให้สงบลงได้มันก็มีความสุขมากไอ ขนาดนั้นมันจะเกิดปีติอย่างรุนแรงถ้า น, น้อมใจไปในทางสังเวชก็สังเวชใจน้ำตาไหล อ, อันนั้นถ้าน้อมใจไปในทางความยิน ด, ดีในกุศลในคุณธรรมมันก็จะเกิดขนพองสยองเกล้าวขึ้นมาอย่างรุนแรงเป็นเยงั้นอันปีติอันนั้นน่มัน ถ้าหากว่าบุคคไม่รู้เท่านะั้นมักจะวิบัติไปเกิดวิปราชไปเมื่อรู้เท่าแล้วมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสมถะวิปัสนาได้เปิติในโพชงเกดนี้ไม้เอาได้กั่นกลองออทำได้ที่เป็นอกุศลละมันไปแล้วทำได้ที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นในจิตอยู่ในปัจจุบัน ก็กำหนดรู้อยู่เมื่อทำที่เป็นกุศลอยู่ในจิตใจแล้วนี่ใจมันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาไม่เสียใจไม่ดีใจคับอะไรแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหว อ, ะอ่ะจิตไม่ยึดถือเส็จแล้วเรื่องนะั้นมันก็ดับไปเองมันจิตตั้งมั่นลงแล้วถ้าจิตไม่มีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้ว มีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมามันก็หวั่นไหวไปเสียใจไปเศร้าโศกไปโกรธไปอย่างนี้นะต้องพิจารณาดูใจของเราทุกคนสิมันเป็นยังไงอ่ะมันหวั่นไหวไหมในเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งมาถ้ามันยังหวั่นไหวอยู่ก็แสดงว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอืมเป็นงั้น ยังมีอกุศลธรรมแทรกอยู่ดังนั้นเราก็ต้องสอนใจเข้าไปเรื่อยๆไปความเสียใจในใจมันเป็นช่องทางแห่งอกุศลธรรมมันทำให้บาปหรือว่าความชั่วบังเกิดขึ้นในใจได้นี่เราต้องกำหนดรู้อย่างนี้สอนใจอย่างนี้ เมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไปบ่อยจิตรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็รักษาตัวเองในะวันนี้นะออมันรนะวังแ่ะมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทัง่งมันก็รู้ตัวทันไม่หวั่นไหวเรื่องนั้นก็ดับไปเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรนะขอแต่ให้จิตดวงนี้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเท่านั้นแนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะมันดับไปหมดไม่มีเหลือเลย เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันดับไปอย่างนั้นแล้วจิตคือความรู้สึกนี่มันก็เป็นปกติอยู่ตามเดิมอ่ก็เห็นความปกติของจิตนี่กลับมาคำว่าตัวเองเห็นตัวเองนี่หละไปจะให้คนอื่นมาเห็นให้ไม่ได้เลยไม่ได้อืมตัวเองเห็นตัวเองโอจิตนี่เป็นปกติอยู่ไม่วันไว้ไม่ยึดถืออะไรอย่างนี้นะ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้มันก็อิ่มมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่อุ่นวายไม่เดือดร้อนอะไรกับใครใครจะดีใครจะชั่วอะไรก็เรื่องของคนอื่นไม่ต้องไปเป็นทุกข์กับเขาเพราะต่างคนต่างก็เกิดมาแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเหมือนกันแล้ว ถ้าเขาไม่สามารถจะละกมชั่วออกจากใจเขาได้กับเรื่องของเขาก็ให้เขาถือเอาไปแบกเอาไว้เราละได้ก็เป็นวาสนาของเราก็เราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอยู่ในคุณธรรมที่เรารู้เราเห็นอยู่เถ้ามีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจจริงนี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละขอให้เข้าใจถ้าคุณธรรมนั้นไม่ ไม่มั่นคงจริงอย่างนี้อเมื่อเลามีเรื่องอะไรกระทบเข้ามาเนี่ยมันต้านทานไม่ไหวอย่างจิตใจนี่ก็วันไว้ไปมันไปงานเรื่องมานะเมื่อเวลาไม่มีเหตุอะไรกระทบนีนมันก็ดีนั่นแหละใจนี่นะดีแต่เมื่อเวลามีเหตุมากระทบแล้วค่าที่ตนมีคุณธรรมน้อยไปไม่มากไม่หนักแน่น อมันก็หวันไหวตื่นเต้นไปตามเรื่องนั้นๆอย่างนี้นะดังนั้นเราจึงต้องบําเพ็ญคุณธรรมให้สูงขึ้นให้มากขึ้นไปโดยลําดับเอ่าเช่นความอดทนโมนี่นะเราต้องสร้างมันขึ้นเรื่อยๆไอบ้บุคคลจะสร้างความอดทนได้ก็เพราะมันมีเหตุเมื่อมีเหตุมาถึงเข้าแล้วอย่างนี้เหตุนี่มันจะทําใจให้หวันไหวไปทั้งไม่ดีนะนี่วะอด กักกันทนทานเข้าไปไม่ยึดไม่ถือไม่คิดไม่วิจารมันไปเลยเรื่องนั้นๆ น, น, นะยุดเออสติเป็นผู้ห้ามขันติเป็นผู้อดกั้นอ่มันเป็นงนั้นทีนีโอดสัพพธรรมเป็นผู้เตือนไม่ได้นะขืนทำอย่างนั้นพู้อย่างนั้นเป็นบาปเป็นโทษเออบาปกรรมมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ เ ม, เมื่อคุณธรรมเ่านี่บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ยุติเรื่องต่างๆลงได้นะเรื่องชั่วร้ายทั้งหลายแม้เรื่องนั้นจะไปไม่ใช่เป็นเรื่องให้เกิดบาปเกิดกรรมก็าตามแต่มันให้เกิดกรริเลสเกิดความรักเกิดความชังเกิดความเสียใจเศร้าโศกอะไรมนี่น ะ, ะเราก็รู้แล้วก็ไม่ยึดถือเอามัน ห้ามจิตให้ได้ซะอย่างเดียวเท่านี้แล้วไอ้เรื่องต่างๆนั้นมันดับไปหมดเลยออจิตใจก็เลยอยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจออยู่ด้วยความเห็นที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วไม่มีอะไรอารวัตรแต่ละคืนก็อยู่ด้วยความรู้ความเห็นอย่างนี้ เมื่อมันมันมันรูน้อย่างนี้เห็นอย่างนี้มันก็รักษาจิตนี่เรื่อยไปสิวะนี้นะอะเพราะรู้ดีแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็ว่อนไหวไปทางไม่ดีนี่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วไอ้เรื่องไม่ดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อ่ในจิตใจนี่นะมันต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเนี้เมื่อเข้าใจอย่างว่านี้ยมันก็ตามรักษาจิตอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างนั้นสติต่อสัมปัญชญะนี้ต้องประจำอยู่กับจิตเลยหายใจเข้าก็รู้จิตหายใจออกก็รู้จิตอรู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่ยังไง ร, รู้ว่าจิตเห็นความเกิดความดับของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ยังไงสัมปัญชญะมันก็รู้เห็นอยู่นั่นอืมนี่นะ การบาเพ็ญปฏิบัติธรรมนะให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมเร่จะต้องอาศัยความรู้สูงสูงความรู้ทำกุง้ขงขวางจนถึงจะปฏิบัติได้ไม่ใช่นะไอ้ธรรมที่เป็นอุปการะแก่จิตใจแท้ๆก็คือสติสมชะชัญญาอันนี้นะถ้าว่าคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่มีแล้ว คุณธรรมอื่นๆก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้เลยคอยเข้าใจอย่างเช่นอย่างว่านั่นแหลไอ้เมื่อจิตมันคิดจะโกรธขึ้นมาเนี่ยถ้ามันนึกถึงเมตตาทําได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดเลยนี่มันไม่โกรธอออย่างนั้นถ้าจิตมันนึกถึงเมตตาทําไม่ได้แล้วไม่ฟังอ่ะมันโกรธขึ้นมาแล้วเมื่อมันไม่พอใจสิ่งใดแล้วนะมันไปงานเลี้ยงมัน กระเนื่องมาแต่สติมันระลึกไม่ได้นั่นเองะระลึกถึงเมตตาทมกรุณาธรรมไม่ได้ไอความโกรธมันยังเกิดขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นลงมาพิจารณาดูสิเพียงแต่สติสมัมปชัญญะทำสองข้ อ, อยชนั่นแหละมันมีความหมายอย่างลึกซึ้งอย่างสำคัญมากอ่งดังนั้นทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมนะอย่าไปละเลย ให้สังเกตตัวเองเรื่อยไปว่าตนทําอะไรพูดอะไรคิดอะไรไปอยู่ทุกวันเนี้ยตนมีสติสมสัชย์ยะกำกับอยู่เรื่อยไปหรือว่าเผลอหรือว่ามีเวลาเผลออยู่มากหรือน้อยยังไงอ่ะนี่ต้องสังเกตตัวเองอ่ะไอ้คนอื่นสังเกตให้ไม่ได้เรื่องนี้นะตนเองต้องสังเกตตัวเองอืมเป็นไงน เมื่อสังเกตตัวก็รู้ได้啊มันก็รู้ได้รู้ได้ว่าตนน่นะมี ส, สมติสัมปชัญญะตามรักษาจิตยอยู่เสมอไม่ไม่ไมเผลอเลยอย่างนี้หรือว่าถ้ามันเผลอก็เผ ล, อ, เลอไปนิดหน่อยก็รู้ตัวได้ไม่เผลอไปนานจนว่าทำผิดพูดผิดไป แล้วจึงรู้ตัวอย่างนี้ใช่ไม่ได้แบบนั้นนะถ้ามันเริ่มว่าจะทำผิดพูดผิดก็รู้ตัวทันที เ, เช่นนี้ล้วก็พอใช้ได้ออั น, นี้พอมีทางที่จะํำระตัวให้บริสุทธิ์ได้มันเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่พูดให้ฟังมเมื่อตะกี้เนละสตินี่เมื่ออบเราไม่แก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็เป็น คุณจะทำสาหรับให้บรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ดูน ะ, อะขอให้พากันเข้าใจสนตะิสัสมปชัญญะในธรรมวิภาคนั่นต้นแสดงว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากอันนี้อันนี้หมายถึงเราจะทำอะไรพูดอะไรมีสตริระลึกได้มีสมัมปชัญญาวิจารได้ดังกล่าวมานั้น มันก็ไม่ทำผิดไม่พูดผิดอันนี้อันนี้เป็นสติสัมวััญญะในขั้นต้นสำหรับรักษากายว า, าจาไม่ให้ร่วงคุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทั้งของพิสุสามเณรและทั้งของครือหัดผู้คลองเลือ่อนหรือเป็นชีเป็นขาวกว็ต า, ามมูนี้นะมันต้องมีคุณธรรมสองอย่างนี้ ต้องสร้างคุณธรรมสองอย่างนี้ให้เกิดขึ้นเหมือนกันหมดเลยอจึงจะรักษาศีลในบริสุทธิ์ได้ศีลจึงจะไม่เศร้าหมองคุณมัวถ้าหากว่าสติสมเจริญญาณอ่อนแอแล้วศีลก็มันขาดอยู่บ่อยๆเศร้าหมองบ่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเนื่องจากมันเผลอมันเผลอแล้วมันก็ทําไปพูดไป ล่วงวิทในสิกขาบทวิทยไปแล้วจึงมารู้ตัวในภายหลังอย่างนี้นะมันก็มัวหมองแล้วมันเป็นางนั้นดังนั้นต้องฝึกหัดเรื่องการสํารวมในสิกขาบทวิทยน้อยใหญ่ต่างๆโมนี้ก่อนอื่นทั้งหมดเลยนะผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ก็ดีผู้อยู่คลองเรือนก็เหมือนกันนะ เมื่อก็ต้องศึกษาให้รู้จักสินของตนเองนะส่วนคนส่วนมากไม่ค่อยได้คิดค้นนะทันว่าสมทานสินก็นสมทานไปแล้วก็เลี้ยวไปเยก่าได้สังคมกับคนเป็นจำนวนมากมาแลว้วโอ้ยแสด ง, ง ค, ความคิดความเห็นออกมาแล้วแม่คนเหล่านี้ไม่ฉลาด แม้แต่ในศีลนี่ก็ไม่ฉลาดเลยไม่ฉลาดอะเช่นเดินไปไปเหยียบสัตว์ตายนี่เป็นบาปไหมมันไม่ควรจะถามนะพูดปฏิบัติธรรมนมนานน ะ, ะนี่ก็สแสดงว่ามันไม่ได้คิดไมได้วิจาร์เลยว่าศีลนี่นะสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่า ไม่เป็นบาปสิ่งดใดที่เป็นบาปเลยไม่ได้คิดเลยเราจึงได้แสดงให้ฟังอันในในสิกขาบทนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าจะเป็นบาปได้มันเกิดจากเจตนาเมื่อลราเจตนาเช่นปานาฏิบาตมีองค์ห้าอย่างนี้หนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึ่งสองรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตอยู่หนึง สามจิตคิดจะฆ่าอสี่ทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นให้ตายห้าสัตว์ตายด้วยความเพียร น, นั้นเนี่เมื่อพร้อมด้วยองค์ห้านีนะ่จึงเป็นบาปการฆ่าสัตว์ให้เข้าใจมามั้ยฮะเดินไปแล้วไม่เห็นมันแล้วไปเหยียบมันตายแลย้วจึงค่อยเห็นอย่างนี้เราก็แผ่เมตตาจิตให้มันซะเราก็ไม่ได้แกล้งไม่ได้เจตนาเราไม่เห็นจริง ขอให้ขอให้สัตว์เหล่านี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเว้นตกกันและกันเลยเท่านี้เราก็แล้วไปแต่ว่าความสะเพร่ามันมีนะบางคนนะเดินไปไม่มีสติเห็นสัตว์ควรจะเว้นก็เว้นไม่ได้ไม่มีสติแล้วไปเหยียบมันเข้าก็มาเหยียบมาแล้วพัดเราไม่ได้เจตนานดอก อย่างนี้ก็มีนะอันนี้มันมันก็เป็นความเศ้าหมองอของผู้นั้นได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าขาการสำรวมนี่ถ้าว่าเป็นผู้สำรวมอยู่เสมอๆแล้วอย่างนี้ทุกอิริยาบถละพกเก้าไปที่ไหนละมีสติสัมปชัญญะยอยู่ไปเห็นสัตว์มันก็เว้นได้สิมันก็ไม่เหยียบแล้วอมันเป็นงางนั้นเมื่องมันนะ ถ้าขาดสติสมบัรญญย่แล้วแน่นอนอเดินไปนะสักควรจะเว้นคนจะหลีกมันได้ก็หลีกไม่ได้เพราะไม่มีสติระ ล, ลึกไม่ได้ก็ไปเหยียบมันตายเข้า อ, อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้พากันพิจารณาตัวเองทุกคนนะไอ้เรื่องศีล น, นี่ มันก็ต้องละเอียดไปดูลำดับน ะ, ะเรื่องมันน ะ, ะสีละบา ร, รมีสีละอุปภา ร, รมีสีละปรมัภะบา ร, รมี น, นุ่นมันมีสามชั้นนุ่นสินนะมันนี่ก็ลงพิจารณาดูเรารักษาสินได้ขั้นไหนถึงปรมัภะบา ร, รมีหรือเปล่า อ, อย่างนี้นะ แล้วมาถึงขั้นปรมาถับารมีนี่หมายความว่ามีสติสัมปชัญญะระมัดระวังไม่ไปกระทบกระทั่งบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเนี่ยหมายความว่าจะไม่ทะเลาะวิวาสกับใครเลยเอาพู้ง่ายอย่างนี้แหละผู้มีศีลสังวรมันเป็นงั้นผู้มีสติสัมปชัญญะ สังวรระวังอยู่เสมอเสมอแล้วจะไม่ไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นเลยด้วยอำนาจแห่งความโกรธหรือความหลงความเมาอะไรก็ตามแหลนนะนี่เรียก ว, ว่าศีลขั้นสูงขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องพิจารณาว่าวันนี้เรามีศีลอะไรบ้างเรา สินของเรามั่นคงหรือเปล่าบริสุทธิ์หรือเปล่าอย่างนี้นะ <c oughs> เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะวิจัยตัวเองอยู่พร ะ, ะพรมพุทธเจ้าตรัสไว้ในท้ายสี น, นั้นว่าสีเลนะนิพุติงยันติผู้มีสินจักบรรลุถึงซึ่งปริภานได้นี่ก็ลองฟังรู้เรื่องนุภาพของสิน ไม่ใช่ว่าต่ำๆนะนะนี่ยสีลังแปลว่าปกติของกายวาจาหมายความว่าเป็นผู้มีสติสมบัญญยะระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาอยู่ตลอดเวลาความประพฤติทางกายวาจาเป็นปกติไม่มีโทษฮะไม่ ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้กระทบกระทั่งใครไม่ไ้เบียดเบียนใครอย่างนี้นะไม่เบียดเบียนใครนง่ น, นให้สังเกตดูให้ดีถ้าหากว่าบุคคลมีสินบำเพ็ญสินไปจนถึงปรมาตย์สินจริงๆไม่มีนาะที่จะได้ทะเลาะวิวาทกันนะอยู่ด้วยกันจะเป็นร้อยเป็นพันก็ช่างนะ อแต่นี่มันไม่การรักษาศีลไม่ถึงปรมาทิตินะนั่นแหละดังนั้นทุกคนให้พี่นาให้รู้ตัวเพราะเมื่อตนยังรักษาศีลยังไม่ถึงขั้นปรมาทิติแล้วต้องพยายามพยายามรักษาไปให้มันถึงให้ได้อย่าไปท้อถอยเพราะว่า ถึงอย่างไรทุกคนนะมันจะต้องได้ทำความเพียรละกิเลสตัณหาออกจากกิตใจด้วยอย่างนี้นะถ้าหากว่าผู้ใดโมมเมวประมาทอยู่ไม่ทำความเพียรละกิเลสในชาตินี้ทำบ้างไม่ทำบ้างอช่ไหมอ้าชาติต่อไปก็ต้องได้ทำความเพียรนีกไม่เพียรละกิเลสเอมันมก็ให้ ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เป็นทุกข์เกิดร้อนไปในสงสารอยู่อย่างนั้นแหละแต่อย่างนั้นเรืองมานะคิดให้มันเห็นนะในชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าชี้หนทางออกจากทุกข์ให้โดยแจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้มันเป็นโอกาสอันดีของเราแล้วเราจะต้องเดินตา ม, มหมายความาอ่างั้น เราไม่ต้องอ้างโน้นอ้างนี้อะไรเนะี่ยไม่ต้องอ้างว่าทำไม่ได้หรอกเราเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยมีแต่การแต่งงานทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวถ้าไปมัวแต่ถือสินอยู่มันก็ไม่ได้กินอะไรเพราะว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพนี่มันจะต้องโกหกบ้าง การค้าการขายไมโกหกก็ไม่มีกำไรแล้วก็ไอ้พวกมีสตางค์น้อยก็ไม่มีเงนินจะไปจ่ายตลาดไปซื้อเนื้อซื้อปลาที่เขาทำสำเร็จแล้วมาขายแล้วไม่มีเงินจะไปซื้อมาทำกินได้มันก็ต้องไปจับปลาเป็นๆมาฆ่าทำอาหาร เลี้ยงตัวและครอบครัวมันก็อ้างกันไปอย่างนั้นแนตะคนเราเหตุที่จะรักษาสินไม่ได้นะมันเป็นงนั้นถ้าผูใ้ใดมัวแต่อ้างอยู่นั่นลกลัวแต่อดกลัวแต่หิวกลัวแต่ลำบากจะไม่ได้กินอาหารดีในโลกนี้ในชีวิตนี้แล้วไปฆ่าแต่สัตว์ตัดชีวิตอยู่อย่างนั้นนะ ยิงอยู่ได้กินอาหารดีๆในชาตินี้คิดให้ดีนะตายลงไปแล้วบาปกรรมนี่นำจิตวิญญาณนี่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปตกนรกนั่นแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากแล้วกับกรรมอดเราไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนสัตว์ทำศีลให้บริสุทธิ์นี่แม่จะได้กินยังไงก็กินไปกับก้าไม่ตกนรกนะอันใดจะดีกว่ากัน นี่มันต้องเทียบกันดูให้ดีแต่คนอนผู้ทำบาปเช่นั้นส่วนมากมันไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกนะะเรื่องมันนะไม่เชื่อหรอกถ้ามันเชื่อว่านรกมีจริงนรกนี่มันทําให้แก่ผู้ที่ไปตกนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนจริงออย่างนี้แล้วมันไม่ทําอ่ะคนนั้นนะไม่ทําบาปแน่นอนเลยอไม่เบียดเบียนใครเลย มันเป็นางา น, นเรื่องมันนะดังนั้นเพียงจะพูดกันเรื่องศิงนนี่มันก็พออยู่แล้วนะอะ่พอเป็นพอนําเอาไปคิดไปกลองอ่พิจารณาตัวเองเข้าไปว่าตนเองนี่มีสินขนาดไหนอย่างนี้นะพอเอาไปคิดแล้วหากว่าศินนี่ไม่บริสุทธิ์แล้วยางเนี่ย รัจจ์บำเพ็ญสมาธิภาวนานี้ก็ไปไม่รอดเลยเมื่อจิตมัวหมองแล้วมันก็มีแต่ฟุ้งซ่านมีแต่เลืออ่อรลอยไอ้จิตที่มันจะสงบอยู่ได้น่นเพราะมันผ่องใสบาปอากุศลมาละ ง, งับไปเรือมาน่ะเหตุนั้นจิตนั้นมันจึงรวมลงได้สงบลงได้ข้อนี้ก็รู้ได้ตนเองเนี่ยผู้ใดภาวนาผู้นั้นรู้เลย ถ้าภาวนาลงไปจิตไม่ยอมสงบระงับพูดวายเดือดร้อนต้องรู้ว่านั่นละบาตรนยงละบาปไม่ได้บาปมันมารบกวนเอาอือันนี้เมื่อผู้เรียนรู้ตัวเอย่างนี้นก็เอากําหนดละมันเดียวนั่นแหละไม่ใช่ว่าจะไปคอยละเอาต่อไปนั่นเมื่อเมื่อไม่ใช่อือมําหนดละมันเดียวนั้นน่ะ เมื่อบาปมัน ง, งับไปจากจิตใจนั้นแล้วมันก็จิตก็สงบลงได้อ่ามันเป็นงนั้นแต่คนส่วนมากนั้นไม่สู้อภาวนาลงไปแล้วบาปมันรบ ก, กวนเอาผักดันเอาให้จิตวุ่นวายพุ่งสรางอย่างน้นอย่างนี้ก็เลยเลยเล ย, ย่อดท้ออ่าเลยกลัวบาปอันนั้นซ้ำซ้ําเลยไม่สู้กับมันอ่ะยอมแพ้มันน่ะ เลยนึกว่าอตอนไม่ภาวนาไม่เป็นหรอกเลยออกจากภาวนาเสียไม่ไม่ทําต่อไปอืมผู้ใดเป็นเช่นนั้นก็ผู้นั้นล ะ, ละบาปไม่ได้เลยอืมละบาปไม่ได้บาปมันจะต้องติดตามจิตใจใสอยู่นั่นแหละถ้าผู้ใดรู้ตัวอย่างว่านี่นะเอา้านี่มันเรื่องบาปเนี่ยเราจะต้องกําจัดมันออกไปจา ก, กจิตใจนี้ จะไม่ยอมให้มันมาครอบงำจิตใจเลยอย่างนี้พอคิดได้อย่างนี้เราก็เพ่งจิตนั่นเพ่งความรู้สึก น, นั้นเนี่ยหมายหมายหมายควา ม, มาว่าค้ามเพ่งอันนี้คล้ายๆว่าเราไปข่มจิตไว้เนี่ยนะข่คมความรู้สึก น, นั้นไว้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงมันแต่งไปในทางบาปอกุศลต่างๆ หรือในทางที่ไม่มีประโยชน์อะไรนั้นเพ่งเพ่งรู้เพ่งรู้ว่าบาปควรละอย่างนี้นะอา้าไอสิ่งใดที่ความชั่วในที่ได้ลุ่มหลงทามาแล้วอย่างนี้ก็อา้ามันจะมาเกิดขึ้นในจิตอีกให้วิตกวิจารณ์ให้เสียใจกับความชั่วที่ตัวลุ่มหลงทามานั้นอีกอยู่นี่ก็ อย่าไปวีตกมันเอา้านั่นมันร่วงแล้วทำผิดทำบาปผมก็ทำไปแล้วบาปเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นละหกกรรมกรรมเบลละได้ทำไมจะละไม่ได้มันอยู่ที่ใจนี่เมื่อใจไม่ยึดถือเอาเรื่องอารมณ์เหล่านั้นเสียรู้แล้วว่ามันเป็นบาปแล้วไม่ทำมันต่อไปไม่คิดมันต่อไปอย่างนี้แล้วมันก็ดับ รู้อย่างนี้แล้วก็พยายามเพ่งละอารมณ์เหล่านั้นไปเมื่อจิตใจมันสงบมันแก่กล้ามันตั้งมั่นลงไปได้ดีแล้วบาปอากุศลเหล่านะ้มันก็ระงับลง อ, ะอ่ะเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนย อ, อันนี้วรณธรรมนั่นอะ่ะมันก็ไม่ใช่อื่นไกลแหละก็บาปกรรมนั่นเองนะแต่ว่าเป็นบาปอย่างกลางไม่ใช่บาปอย่างอย่างงาบ ให้เข้าใจเป็นบาปอย่างกลางเมื่อถึงขั้นบาปอย่างกลางนี่แล้วการที่เราทำความเพียรละกิเลสก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงทุนลงแรงมากเหมือนอย่างการละบาปอากุศลอย่างหยาบนั้นมันให้สังเกตดู เ, เช่นการที่บุคคลยังพอใจในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่ ยังยังพอใจผูกโกรธคนนั่นคนนี่อยู่อย่างนี้นะยังพอใจอยากแก้ดได้สมบัติผูอ้อื่นเราเป็นของตนอยู่มากมายกลายกองนี่ถ้าเป็นคนยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางอยนี้ก็ไปยังยินดีในเมียคนอื่นผัวคนอื่นในทางก็ไเวนีอยู่ น, นี่ความคิดความเห็นอย่างนี้ความอยากอันนี้นะ มันมันเป็นบาปอกุศลอย่างงับนี่บุคคลจะมาละบาปนู่นนี้น่ะมันแสนยากงั้งว่านั้นเนี่ยแต่มันก็ไม่เหลือวิสัยถ้าศรัทธาถึงพร้อมแล้วถ้าผู้กลัวทุกข์กลัวภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็มันไม่เหลือวิสัยอ่ะเอาสู้กับมันไม่ทํามันไม่คิดมันแต่ก่อนนั้นเรารุ่มหลงเราไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นโทษจริงจังะมันได้รู้แล้ว รู้มันเป็นโทษจริงอย่างนี้นะเราจะไม่ทำไม่พูดไม่คิดมันเลยเรื่องนั้นเอางั้นอธิษฐานใจลงอย่างนี้แล้วก็กำหนดละมันไปเรื่อยๆถ้าเผื่อมันก็คิดไปในทางอิจฉาเบียดเบียนเอารู้ตัวแล้วก็กำหนดละมันไปไม่อหอ ย, อยู่นั่นในที่สุดมันก็ละได้เมื่อทำกรรเพียนไม่ท้อไม่ถอยนะมันก็ละบาปอากุศลอันนั้นได้ มันเป็นงานเรื่องมานนะ่ะถ้าหากว่าบุคคลขาดความเพียรอย่างว่านี้แล้วก็แน่นอนนหละละไม่ได้บาปอะ่ะอันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลทําบาปแล้วบาปจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปนในโลกหน้านะนะั่นน่ะก็เรื่องมาแต่บุคคลมันละมันไม่ได้ในชาติปัจจุบันนี่แหละ แล้วบางคนไม่คิดจะละเฉยเลยนะไม่คิดจะละบาปเฉยเลยไม่งั้นมีแต่เลี้ยงมันไว้อย่างนี้แล้วจะไม่ให้มันตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรเล่าออนะั่นแหละขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ตื่นตัวที่แนะนํามานี่นะ อ, อืใครตื่นตัวพระพุทธเจ้าพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดจริงๆไม่ใช่ว่าพราะองค์เดาเอาแล้วมา แสดงให้คนฟังไม่แล้วพระองค์รู้จริงเนี่ยอย่างจะยกเรื่องราวของสุภ ป, ปุทธผู้เจริญพ่อตาของพระองค์นะํามาเล่าให้ฟังพระองค์เสด็จเข้าไปสู่กรุงราชคือกรุงกบิลพัทครั้งแรกแล้วนะพอรุ่งเช้ามาพราะองค์ก็ห่ผมผ้าพายบาทแล้วก็ หาพระสงฆ์เดินเข้าไปในเมืองก บ, บิลพัทสุภพุทธะโกรธให้ลูกเขยคือพระพุทธเจ้านี่นะเะว่าทิ้งลูกสาวุองตนไปบวชโกรธและผูโกรธไว้ในใจไม่ไ ม, ไม่ไม่หายแม้จะรู้ว่าพราะองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เลื่อมใสก็จึงได้ใช้ให้คนตัดหนามมาตันทางบิดตะบัดของพระพุทธเจ้าอืม พ, พุทเจ้า ทรงพระดำเนินไปไปเห็นหนามตันทางนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับไม่ไปบัดนี้สุภ菩萨นั้นแต่งให้คนคนหนึ่งตามห่างๆคอยฟังว่าพระองค์จะทงตรัสอย่างไรมเมื่อไปถึงวันแล้วพระองค์ก็ตรัสแก่พระอนุนว่าลูกกรอนอ์สุพภ菩萨นี่ได้ทํำบาปได้เ บ, บ, บ, บ, บ, บียดเบียนเราจะถาคตซึ่งเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้ได้ชื่อว่าสุภุท ธ, ธรรมบาปมากนับตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่เจ็ดแผ่นดินจะสูบเอาไปไหมในอเวกีมานรกที่ใตทรณีบันไดนั้นอไอคนรับใช้สุภุทาได้ฟังนั้นก็กลับไปไ ป, ไปพูดไปบอกสุภุทาสุภุทาก็หัวเราะเอาข่าวนี้ เราจะจับโกหกพระสมณครรมแล้วสั่งให้คนเอาบันไดบันบันไดทีแรกที่ขึ้นปราสาทนั้นนะยกเอาไปตั้งไว้ในที่อื่นตนเองก็ขึ้นไปอยู่ปราสาทชั้นที่เจ็ดนั่นแล้วก็ให้คนนําอาหารไปส่งให้สมุเออยู่บนชั้นที่เจ็ดแล้วก็สั่งนายประตูไว้ ถ้าหากว่าเราจะลงจากวารสานี้ไปไปถึงผู้ใดผู้นั้นห้ามเรานะจะให้ไปสั่งไว้หมดเลยอย่างงี้เลยอยู่ไปอยู่มาพอถึงวันที่เจ็ดนั้นมาทีินั่งอยู่ในโรงคึกขนองร้องลั่นเลยไปเดียวมาตัวนั้นฟังว่าคนอื่นจับไม่ได้เลยมีแต่สุปปะพุทธผู้เรียวจับได้ กลโอ้มาคึกกระนองแล้วเราจะเราจะไปจับมามืนนี้นะอันนี้ก็เดินลงไปก็เดินลงไปแทนที่นายประตูคนที่หนึ่งนี่จะห้ามไม่เลยเปิดประตูให้ซ้ำแล้วผลักหลังลงไปซ้ำน ะ, ะไปถึงคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกก็ไม่มีใครต้านทานเลยไม่มีใครห้ามเลยบันไดที่ยกไปไว้ที่อื่นก็กลับมาตั้งอยู่ที่เก่า แในที่สุดสุภ ป, ปุทธะก็ลงบันไดไปพอดีไปเหยียบทนนีนนบันไดเท่านั้นแผ่นดินก็แยกออกจากกันแล้วก็สูบเอาสุปปุทธะลงไปไม่อยู่ในเอวเวจีมานนทนุนนู้นนี่ความรู้จริงของพระพุทธเจ้านั้นยกมาให้ฟังเพียงเรื่องเดียวเท่านี้นก็พอที่จะเป็นสถีพยานได้แล้วไม่ใช่เลยว่า พระองค์นั่นเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะผู้ตัดสู้ชอบด้วยพระองค์เองได้จริงๆเลยอืมมันจะมีาศาสดาไดในโลกนี้อะจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอย่างนั้นได้แจ่มแจ้งโดยไม่ผิดพลาดเลยนี่ไม่มีหาคนในโลกไม่มีแล้ว อ, อ่างนี้แต่เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธ เรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ต้องเชื่อพระปัญญาศัตรู้ของพระเจ้าทิหมายความว่าพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของพุทธศาสนาเลยอืมถ้าหากว่าพระองค์ไม่รู้จริงอย่างนั้นสอนคนคนฟังคําสอนของพระองค์ปฏิบัติตามก็ไม่สามารถจะรู้จริงได้สิออันนี้พระองค์แสดงทำลงไป แต่ละกนรละกันนี่ผู้ใดมีบุญวัสนะบารมีแก่กล้าได้ฟังธรรมแล้วก็วันลุกมะขนได้ในขณะฟังธรรมจบลงมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยฮะยกตัวอย่างเช่นอมมาตของพระเจ้าสุโธทนะนั่นแหละตอนที่พระ อ, องค์ยังไม่ได้เข้ามาสู่กับกรุงกบิลพัตรยังอยู่กรุงราะชกุลพระเจ้าสุโธทนะนี จัดให้อมัดพันคนเดินทางไปไปทูลอาราธนาขอให้พระองค์เสด็จกลับกรุงกบิลพัทอมามย์เหล่านั้นก็ขออนุญาตพระเจ้าสุโทธทนะว่าเมื่อไปแล้วจะขออนุญาตละบวชกับ菩ษาศาดาพระเจ้าสุโทธทนะก็อนุญาต เพราะว่าเป็นข้าราชาบริพารอย่างนี้มันต้องได้ ล, ลาลาก่อนนี่ต้องลาก่อนอืมแต่ยังั้นท่านเมื่อท่านนนะั้นไปแล้วในขณะนั้นพระองค์กําลังแสดงธรรมอยู่ไปถึงแล้วพาไปฟังธรรมพอพระองค์แสดงธรรมในจบลงคนเหล่านั้นก็จะบรรลุอรหัตผลทั้งหมดเลยท่านแล้วก็ขอบวชกับพระศาสดาในทันทีเลยนี่ พระองค์เหยียดพระหัสออกว่าเอหิภิกขุวัมปดาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดไ ด, ได้ได้เป็นพระเถระขึ้นปัจจุบันทันด่วนเลยอย่างนี้นะนี่อันนี้อันหนึ่งที่ว่าพระพุเทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง แล้วทรงแนะนําสั่งสอนผู้มีบุญวาสนาบารมีได้สั่งสมอารมณ์มาแต่ชาติก่อนหอนึงหลังได้ฟังแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลตามเป็นจริงเพราะท่านเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลถนะึงได้ขอบวชส่วนมากเป็นอย่างนั้นเอนพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบลงแล้วนี่นะถ้าคนเหล่าได้ขอบวชกับพระองค์เนี่ย ส่วนมากกับได้บรรลุมรรคผลในขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมเนียมของพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อได้บรรลุอรหัตตะผลด้เป็นกระหัตได้อย่างนี้ก็ต้องขอบวชทันทีเลยถ้าว่าไม่บวชท่านก็พิจารณาเห็นว่าอายุของท่านหมดลงแล้วท่านก็ไม่ได้ขอบวชท่านก็นิพพานไปเลยเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าถ้าท่ามพี่นาเห็นว่าอายุของท่านยังจะเป็นไปอยู่จะเกินประโยชน์แก่ชาวโลกอยู่เช่นนี้ท่านก็ขอบวชทันทีเลยเพราะว่าเพศกระลิงหัดนี้ทรงอรหัตตคุณไว้ไม่ได้เลยมีแต่เพศนักบวชเท่านั้นเองเนี่ยทรงอรหัตตคุณไว้ได้ะมันเป็นงั้นนี่ก็เป็นสกิปัญาาอันหนึ่ง ที่แสดงเหตุว่าพระพุทธเจ้ า, าได้ตรัสรู้แจ้งแท ง, งตลอดในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกเหตุให้ทุกเกิดความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกจริงๆเลยคงรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จริงเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงทรในก็ก็ไม่ใช่อย่างอื่นเลย ก็แสดงอยู่ในอริยสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยแต่ถ้าบางทีก็แสดงโดยปริยายโดยโดยทางอ้อมบางทีก็แสดงกรงๆเลยอย่างงี้นะเช่นทรงแสดงทางอ้อมว่าทรงสั่งสอนให้คนละบาปบำเพ็ญบุญอย่างงี้นะอันนี้ก็ทรงแสดงให้เห็นทุกในวัตาสงสารอันนี้ มันเป็นงานเืองมานะ่ะเพราะว่าบาปนี่มันจักบุคคลใดกระทำลงไปแล้วมันจะนำบุคคลนั้นไปสู่ทุกข์แน่นอนให้คนมองเห็นทุกข์ในอวายภูมิได้นี่เรียกว่าแสดงอริยสัจโดยทางออ ม, อมแล้วทรงสอนให้คนเราชำระจิตใจของใสสะอาดปราศจากกิเลสเครื่องมือมอ ง, งต่าง โมนี่นี่ก็แสดงถึงความดับทุกขนะ์ น, นนะอการบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยนี่ก็เป็นแสดงทางหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทรงสอนให้ผู้ครองเรือนทั้งหลายทำบุญให้ทานให้รักศีลรักษาศีลห้าศีลโอโวสดให้บริสุทธิ์โมนี่นะ สอนในเจริญภาวนาสมาธิมนูนีมันก็ร้วนแต่แสดงถึงว่าให้รู้จักหนทางออกจากทุกข์บุคคลผู้ที่ไม่ภาวนาไม่รักษาสินทำบาปอยู่อย่างนี้บาปมันก็จะนำดวงจิตนี่ไปตกนรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานนี่นี่ก็เป็นเป็นการแสดงอริยสัจแสดงให้คนรู้จักทุกข์ ทุกท่านนั้นเป็นทุกท่านยากหมายความว่าอย่างนั้นไอ้ทุกท่านละเอียดเข้าไปได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักสิ้นอันนี้เป็นทุกข์อันละเอียดเข้าไปอีกผู้นั้นจะทำบาป ก, ก็าตามไม่ทำก็ทังขึ้นเชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่มีจะมีความสุขมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยขึ้นเทวตันหาความะยานอยากแล้ว อันจะเป็นเหตุให้เกิดสุขตลอดไปนั้นไม่มีเลยสุขก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเองนะอะนี่เป็นสั จ, จธรรมเป็นความจริงอันหนึง่งอย่างนี้นะอันถ้าผู้ใดมาดับตัณหาความอยากในหัวใจนี่ได้แล้วอย่างนี้ซึ่งจะมีความทุกข์นั้นไม่มีเลยมีแต่สุขรุ่นล้วนนะอความทุกข์ย่อมดับจา ก, กจิตใจเลยแม่ชีวิตนี้ยังไม่ตายก็ตามนะ ขันห้านี้ยังอยู่ก็ตามผู้จิตของผู้ใดละความอยากคือตัณหาได้แล้วอย่างนี้จิตของผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์แม้จะอาศัยอยู่ในขันหานไม่เที่ยงไม่ยังอยืนนี่ก็ตา ม, มาก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรนี่จึงได้ชื่อว่ารู้จักความดับทุกข์อ๋อดับตัณหาเมื่อดับตัณหาความอยากได้แล้วทุกทางใจก็ย่อมดับนี่ ทุกคนก็ย่อมรู้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมนะอะเมื่อภาวนาดูจิตตัวเองว่าตนเองละตัณหาได้มากน้อยเพียงใดอะเมื่อตนละตัณหาได้มากความทุกข์ใจมันก็ดับไปมากเลยวันนี้อตนละตัณหาได้น้อยความทุกข์ทางใจมันก็ดับไปตามน้อยอย่างนี้แหละส่วนใดตัณหาส่วนใดที่ละยังไม่ได้มันก็ ก, กอกวนจิตให้เป็นทุกข์อยู่นั้นแหละ มันเป็นงั้นนี่นะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมันมีเหตุผลอย่างนี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นปัญญาชนได้ฟังแล้วจึงได้เชื่อจึงได้ยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีพ่อแม่อะไรเลยแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วฟังแล้วมันมันไม่เข้าใจเลยพระองค์เจ้าทรงสอนอย่างนี้มันก็เรียกว่าสอนให้รู้จักรู้เท่าทุกข์นั่นเอง รููเท่าทุกข์ก็คือรู้เท่าขันห้านี้เองเอมันเป็นไงนรูปเท่าขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขันห้ามันแปรปวนไปก็ไม่ใช่เราแปรปวนขันห้าแตกดับก็ไม่ใช่เราแตกดับธาตุทีขันห้ามันแตกมันดับต่างหากนามมาทำเมื่อรูปนี่แตกนามมาทำนี่ก็ดับคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะ มันก็ดับไปตามกันกันกบรูปนั่นแหละเราต้องกำหนดรู้ไว้อย่างนี้ไม่เช่นนั้นแล้วก็สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเวลามันเจ็บหนักลงเนี่ยอ้ยเรานี่ตายแน่แล้วเพราะว่าว่าเราเข้ามาอะไรนี้บวันนี้นะอ่ความยึดถือว่ามีเราเกิดขึ้นแล้วเรานี่ตายจากรูปจากล้ำจากพี่จากน้องแล้วพอวิตกเข้ามาอย่างนี้มันก็ เสียใจทุกโศกขึ้นมาเลยนะมันเป็นางานหนอดังนั้นต้องฝึกหัดคิดหัดพิจารณาเสมอว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายนี่แต่ธาตุสี่ขันห้า 5, มันแปรปวนแตกดับไปตามการเวลาของมันเท่านั้นเองมันสอนใช้ปัญญาสอนจิตเสม อ, สมอ ถ้าจนมันชินต่อความรู้ความเห็นอันนี้นะชินต่อความแปรปรวนความแตกดับทําลายของธาตุสีข่ขันธานี่ให้หรือถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรแบบนี้นะถ้าตนยังมีตัณหาอยู่มีอุปทานความยึดมั่นถือมัน่นอยู่ตราบใดแล้วตนจะต้องได้มาอาศัยขันธ์ห้านี่อยู่อย่างนี้แหละแล้วก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่นี้อีกละอ่า ถ้าปัญญาสอนตัวเองเท่าอย่างนี้ถ้าตนเองไม่อยากแก่อยากอยากเก็บอยากตายอย่างนี้อีกแล้วก็อยากไปยึดถือขันท่าว่าเป็นตัวเป็นตนสิอย่างนี้ใช้ปัญญาสอนจิตนี่เข้าไปเรื่อยๆไปแล้ววันนี้เมื่อจิตนั่นมันรับรู้ปัญญา เห็นชอบกับปัญญาแล้วมันก็โปรงก็วางลงมันก็คลายความยินดีเ ย, ย็นไยคลายความรักความใคร่ต่างๆลงถ้ามันคลายไม่หมดทีเดียวมันก็คลายไปทีละน้อยละน้อยไปมันก็เบาไปตนเองก็รู้ว่ากิเลสมันเบาจากกิตใจตัวเองขนาดไหนก็รู้นี่น ะ, ะถ้าตนไม่ทำความเพียรได้ถึงที่อย่างว่านี่นะ เอากิเลสมันก็เบาไม่ได้เพราะว่าหิบไม่ละมันนี่หิบไม่เห็นโทษของกิเลส